ของคนก่อนที่จะผ่านตอนนี้ไปขอประมวลมาเปรียบเทียบและแนะแนวทางปฏิบัติสักเล็กน้อยที่พำนักของใจหรือพื้นภูมิของใจเรียกว่าใสแปลว่าที่พักหรือพื้นเพตามที่ได้อธิบายมาแล้วมีอยู่3มลักษณะเช่นเดียวกับที่พำนักของคนเช่นที่บ้านที่สวนที่สโมสรเป็นที่ที่คนชอบไปพำนัก แต่การอยู่ในที่เหล่านี้มีลักษณะไม่เหมือนกันบ้านเป็นที่อยู่จะไปเที่ยวกันหัวหกก้นขิดถึงไหนถึงไหนก็ต้องย้อนกลับมาอยู่ที่บ้านเราเรียกบ้านว่าที่อยู่สวนก็เป็นที่ที่เราชอบไปอยู่เหมือนกันแต่เป็นการอยู่แบบพักผ่อนหย่อนใจไปบ้างไม่ไปบ้างเอาแน่ไม่ค่อยได้เราเลยเรียกสวนว่าที่พักสโมสรเราก็ชอบไปอยู่ แต่ก็มีอยู่อีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกับที่บ้านและที่สวนแต่เป็นการอยู่แบบผ่านพักหรือแบบเที่ยวเราเลยเรียกสโมสรว่าที่เที่ยวความจริงที่อยู่ที่พักที่เที่ยวก็หมายถึงว่าเป็นที่ที่ตัวเราไปปรากฏอยู่เหมือนกันแต่ก็อยู่คนละแบบนี่ที่ปรากฏอยู่ของร่างกายทีนี้ที่ที่ใจชอบพักผ่อนชอบปรากฏชอบอยู่ก็เหมือนกัน คืออยู่หลายแบบท่านรวมเรียกว่าใสคำว่าใสแปลว่าที่อยู่หรือพมนักมีสมลักษณะด้วยกันคือนิสัยที่ที่ใจชอบแสดงออกอุปนิสัยที่ที่ใจชอบเข้าอยู่อัธยาศัยที่ที่ใจอยู่ทับซ้อนมานานถ้าจะเปรียบกับที่อยู่ภายนอกนิสัยเปรียบกับสโมสร อ, อุปนิสัยเหมือนกับสวนส่วนอัธยาศัย เปรียบกับบ้านนี่เปรียบพอให้มองเห็นภาพแต่ก็ไม่สู้ตรงตัวทีเดียวคือต้องการแสดงเพียงว่าใจปรากฏในใสอย่างไหนในลักษณะอย่างไรเท่านั้นใจของคนเป็นอันหนึ่งต่างหากจากสาทั้งสมนี้ใจมีสมรรถภาพทางคิดทางรู้แต่สาทั้งสมนี้ก็เข้าควบคุมการใช้สมรรถภาพของใจอีกชั้นหนึ่งคือ ให้อยากคิดให้อยากรู้ให้อยากแสดงออกตามสายที่ตนมีอยู่เช่นคนที่มีอุปนิสัยทางแต่งหนังสือและมีนิสัยทางเจ้าชู้แกก็อยากแต่งหนังสือในทางการมรมมีเรื่องรักรักใคร่ๆไปเสียอย่างนี้คนที่มีอุปนิสัยทางเขียนการ์ตูนและมีนิสัยชอบเนบแนมคนอื่นแกก็อยากจะหากินทางเขียนการ์ตูนและก็ อดไม่ได้ที่จะไม่เน็บแนมแขวะคนนั้นแขวะคนนี้นี่ยกตัวอย่างใส่เข้าควบคุมการทํางานของใจเมื่อรวมใส่ทั้งสอย่างเข้าในตัวคนก็เกิดเป็นบุคลิกลักษณะของผู้นั้นแล้วก็แสดงผสมกันออกมาทางการกระทําการพูดการเขียนการสนทนาใส่ทั้งสจะออกมาให้คนอื่นเห็นถ้าเราหัดสังเกตและแยกการกระทําการพูด การเขียนที่ใครๆแสดงออกให้เราเห็นเราก็จะพอทราบได้ว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานั้นผสมด้วยสายชนิดไหนหมายความว่าทุกคนต้องมีสายทั้งสามอย่างแต่ที่นี้ว่าในสามอย่างนั้นใครมีอย่างไหนเป็นชนิดไหนโปรดดูตารางตัวอย่างการแยกดูสายจากพฤติกรรมของคนดังนี้ตารางแสดงตัวอย่างการวิเคราะห์ พฤติกรรมของคนเจ้าของพฤติกรรมนายกที่แสดงออกพฤติกรรมแสดงปาถกกาถาเก่งมากแฟนเต็มเมืองมักจะไปถึงที่แสดงช้ากว่ากำหนดเสมอได้ยินเล่าความดีเด่นของตนประกอบบ่อยน่าจะสันนิษฐานว่ามีนิสัยไม่ตรงเวลาอุปนิสัยช่างพูดอัธยาศัยมักอวด คุณนายขอที่แสดงออกพฤติกรรมเล่าว่าเคยไปทำบุญที่วัดได้บ่อยๆครั้นวันหนึ่งท่านสมภารถามทุกสุขของใครๆหมดแต่ไม่ได้ถามตัวเองเลยโมโหไม่ย่างเข้าวัดนั้นอีกเลยน่าจะสันนิษฐานว่ามีนิสัยชอบเอาใจอุปนิสัยใจบุญสุนทานอัธยาไสยงอนนางสาวคอที่แสดงออกพฤติกรรม เล่าเรื่องตัวเองว่าไปหาดูหมอกี่หมอกี่หมอก็ดูไม่ได้ความทายอดีตไม่เห็นถูกน่าจะสันนิษฐานว่ามีนิสัยชอบดูหมออุปนิสัยเชื่อโชคลางอธัธยาศัยเอาแต่ใจตัวตัวอย่างที่แสดงไว้ในตารางนี้เพียงสังเขปเท่าที่นึกได้ในขณะ น, นี้และประสงค์จะแสดงให้เห็นแต่เพียงว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกต่อคนอื่น ย่อมส่อให้เห็นใสทั้ง3ของเขารวมอยู่ในนั้นด้วยเสมอแต่การดูเพียงผิวเผินเราอาจไม่ทราบความจริงและไม่สามารถจะวิเคราะห์ของเขาได้ต้องดูนานๆหรือหลายๆครั้งบางท่านจะสงสัยว่าเรารู้แล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรแน่นอนทีเดียวการจับใสของเขาได้นั้นเป็นประโยชน์ในการคลองใจมากทั้งในด้านการคลองเรือนการครองรัก การอบรมสั่งสอนการรับรองและการประสานงานกับคนอื่นยกตัวอย่างง่ายๆจากตารางที่แสดงนั้นสมมติว่าคุณกอเป็นรัฐมนตรีจะมาตรวจราชการที่จังหวัดซึ่งท่านเป็นผู้ว่าราชการย่อมเป็นการสมควรอย่างยิ่งในรายการต้อนรับจะต้องหาทางให้พนะท่านกอได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อหน้าประชาชนมากๆและก่อนที่พนะท่านจะขึ้นแสดง เจ้าของงานจะต้องเลือกโคศกที่ชมคนอย่างไม่รู้จักกระดากปากสักคนหนึ่งขึ้นไปกล่าวนำที่ไมโครโฟนและโคศกจะต้องบรรยายถึงตำแหน่งหน้าที่และความดีเด่นของพระนัท่านทุกแง่ทุกมุมทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันหรือจะแถมคาดการอนาคตเสียด้วยก็ได้การออกชื่อยศตำแหน่งต้องพูดให้จัดแจงและอย่าให้บังเอิญผิดพลาดลงข้างต่ำเปน็นอันขาด เสร็จแล้วจึงกล่าวเชิญสําหรับการกำหนดเวลานั้นก็จะต้องกะเผื่อไว้เพราะคนที่มีนิสัยไม่ตรงเวลานั้นเขาอาจพูดเลยเวลาไปสักหนึ่งชั่วโมงก็เป็นได้เราต้องกะไว้อยากให้พระนะท่านต้องตกรถตกเรือประเดี๋ยวไฟจะไม่เหมืองและถ้าเป็นไปได้จงรีบโทรเลขส่งข่าวไปให้กรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศว่า ท่านรัฐมนตรีกอรปราศัยคนฟังล้นหลามคนฟังชอบมากและการเสนอข่าวนั้นอย่าลืมออกชื่อตัวท่านการใช้เพียงตำแหน่งอาจเป็นการบกพร่องหน้าตำหนิว่าทำงานไม่เป็นที่ต้องทำอย่างนั้นก็เพื่อประสานงานกับสายของเขาให้งาน เ, เกิดผลโดยที่ฝ่ายเราก็ไม่เสียหายอะไร ท, ทั้งทางโลกทางธรรมวิธีใช้ดูบทต่อไปประกอบ 14. จริตการแยกประเภทของจิตทางนิสัยอุปนิสัยหรืออัธยาศัยซึ่งได้เสนอมาในบทก่อนนั้นเป็นการแยกให้เห็นเพียงลักษณะส่วนใหญ่ๆยังไม่ละเอียดพอสำหรับการครองใจคนสังเกตจากการบำเพ็ญพุท ธ, ธกิจของพระองค์ก็ไม่ปรากฏว่าได้ทรงใช้สายทั้งสามนั้นมากนักไม่เหมือนเรื่องจริต ซึ่งจะได้บรรยายอย่างละเอียดในบทนี้การศึกษาเรื่องจริตเป็นการศึกษาประกอบการปฏิบัติคือทดลองหาข้อเท็จจริงจากตำราควบกันไปเพราะฉะนั้นการอ่านพุทธวิธีครองใจคนตั้งแต่บทนี้ไปท่านจะต้องลดความเร่งร้อนลงเสียบ้างค่อยอา่านค่อยคิดคิดไปอ่านไปแล้วท่านจะได้ความเข้าใจชัดเจนและได้ความเพลิดเพลินจากพุทธศาสตร์อย่างประหลาด เป็นความเข้าใจและความเพลิดเพลินที่มีประโยชน์อย่างยิ่งด้วยจริตคืออะไรข้าพเจ้าได้เผยความไว้หน่อยหนึ่งในบทก่อนว่าอัธยาศัยกับจริตมีความหมายใกล้เคียงกันมากคือหมายถึงพื้นเพ ข, ของใจด้วยกันแต่จะว่าเหมือนกันทีเดียวก็ไม่ถูกคําว่าอัธยาศัยมีความหมายแคบกว่าคาว่าจริตเพราะเป็นคากล่าวถึงลักษณะของใจอย่างรวมรว ม, รมเช่นบอกว่า อัธยาศัยดีอัธยาศัยไม่ดีอัธยาศัยกว้างขวางอัธยาศัยแคบแคบดังนี้เป็นต้นไม่ได้แยกแยะออกไปว่าดีอย่างไรไม่ดีอย่างไรคือไม่มีรายละเอียดส่วนการแยกประเภทของใจโดยทางจริตนั้นเป็นการแยกอย่างละเอียดถ้าเราจะพูดให้ใครฟังถึงลักษณะของดอกไม้ที่เราพบเห็นเราก็อาจพูดได้สองชั้นคือ พันานาลักษณะให้ผู้ฟังทราบเพียงแบบหยาบก็ได้เช่นบอกว่าดอกไม้นั้นงามงามจริงๆ ง, งามเหลือเกินงามแท้ๆอย่างนี้ก็ได้นี่ชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งบอกรายละเอียดเสียเลยเช่นว่าดอกไม้ดอกนั้นกลีบใหญ่สีชมพูเกสรสีเหลืองก้านยาวและอื่นๆ อ, อย่างนี้ก็ได้ เป็นการติหรือชมโดยการพรรณนารายละเอียดให้ฟังทีเดียวการดูลักษณะของใจก็เหมือนกันที่พูดถึงด้านอัธยาศัยเป็นการพูด ร, มรวมๆว่าดีเลวกว้างแคบร้อนเย็นเท่านั้นเหมือนกับการพูดถึงดอกไม้ว่างามหรือไม่งามดังกล่าวแล้วแต่การพูดทางด้านจริตเป็นการพรรณนารายละเอียดของจิตเหมือนกับการพูดถึงกลีบสีและเกสรของดอกไม้ ตามเป็นจริงคนฟังจะชอบหรือไม่ให้คิดเอาเองจริตของใจมีอยู่หกอย่างคือ 1. ราคะจริตรักสวยรักงาม 2. โทสทจริตหงุดหงิดรีบร้อน 3. โมหะจริตเข่าซึม 4. สศรัทธาจริตบูชาความเชื่อ 5. วิตกจริตกังวลมาก 6. พุทธิจริต ฉลาดคนเราทุกคนมีจริตทั้ง6นี้อยู่ประจําใจคนละสองจริตสามจริตหรือครบทั้ง6จริตก็เป็นได้แต่ว่าในคนคนหนึ่งจะต้องมีจริตที่แรงกว่าเพื่อนมากกว่าเพื่อนอยู่อย่างหนึ่งเสมอทีนี้ใครมีจริตอย่างไหนแรงกว่าอย่างอื่นก็เรียกชื่อตามจริตที่แรงนั้นเช่นเรียกว่าคนรา ค, าจรคะจริตคนโทสะจริต คนโมหาจริตคนศรัทธาจริตคนวิตกจริตคนพุทธิจริตท่านผู้อ่านจะต้องจำและพูดคำเหล่านี้ให้ติดปากคือมองคนในแง่จริตให้มากๆจะได้เกิดความชำนาญและทั้งนี้โปรดเข้าใจว่าคำว่าคนราคะจริตนั้นความจริงเขามีจริตอื่นอยู่หลายอย่างแต่ราคะจริตแรงกว่าเพื่อนคนโทสะจริตก็เหมือนกัน ราคจริตก็มีโมหจริตก็มีอื่นๆก็มีมากบ้างน้อยบ้างแต่โทสะจริตแรงกว่าเพื่อนก็เลยเรียกว่าคนโทสะจริตถึงจริตอื่นๆก็เหตุผลอย่างเดียวกันนี้อีกประการหนึ่งโปรดทราบไว้ด้วยว่าคำว่าราคะโทสะโมหสัทธาวิตกพุทธิที่เอามาตั้งเป็นชื่อจริตนั้นท่านมุ่งเอา แต่ความหมายเผลๆของศัพท์เท่านั้นไม่เหมือนที่ใช้ในทางธรรมะทั่วไปประเดี๋ยวจะเข้าใจว่าคนมีโทสะจริตโมหะจริตจะต้องตกนรกเอเวจีส่วนศรัทธาจริตจะได้ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ใช่อย่างนั้นเชิญพิจารณาความหมายของจริตแต่และอย่างต่อไป 1. ราคะจริตคนราคะจริตมีปกติรักสวยรักงาม คือชอบความสวยความงามบางท่านอาจสงสัยว่าความสวยงามใครๆก็ชอบจะมีหรือคนที่ไม่ชอบสวยๆงามๆจึงขออธิบายไว้ตรงนี้สักนิดหน่อยที่ว่ารักความสวยความงามนั้นหมายความว่าตามปกติของเขายกความสวยงามขึ้นเป็นใหญ่ไม่ว่าจะทำอะไรต้องเอยนเอียงเข้าหาความสวยความงามจนได้ถ้าสมมติว่าคนราคะจริต จำเป็นจะต้องเดินทางโดยรถไฟในเวลาเช้าตรู่แต่บังเอิญตื่นนอนในเวลากระชั้นชิดกับเวลารถไฟออกไม่มีเวลาพอจะแต่งตัวให้ประนีตสมใจเขาอาจยอมงดการเดินทางเสียก็ได้ลักษณะอย่างนี้แสดงว่าเขาได้ถือเอาการแต่งตัวซึ่งเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นใหญ่ในบางกรณีจะงดการเดินทางไม่ได้จริงๆ เขาจําเป็นจะต้องออกจากบ้านทั้งๆ ท, ท, ที่ผมไม่ได้หวีทั้งๆ ท, ที่แต่งตัวอย่างลวกๆเขาจะรู้สึกว่าได้กระทำสิ่งที่ฝืนความรู้สึกอย่างยิ่งทำด้วยความยากลำบากใจจนบางทีอาจถึงกับร้องไห้และถือเป็นเหตุร้ายแรงในชีวิตที่จําได้ติดใจและนำไปเล่าให้ใครๆฟังซ้าๆซักๆอยู่หลายปีอย่างนี้ก็เป็นได้ซึ่งในกรณีอย่างเดียวกันนี้ คนอื่นเขาเห็นเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวตามปกติจิตมีราคะจะเกิดความพึงพอใจร่าเริงยินดีพออกพอใจในเมื่อได้อารมณ์ที่เกี่ยวกับความสวยงามความสุภาพเรียบร้อยจิตจะวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่กับอารมณ์ประเภทนี้อย่างไม่รู้จักเบื่อหน่ายและจะรู้สึกเกลียดชังอารมณ์ที่ตรงกันข้ามคืออารมณ์ประเภททำให้เกิดความเศร้า และความพินาศล่มจมต่างๆเพราะฉะนั้นคนราคะจริตจึงพอใจและรังเกียจในสิ่งดังตัวอย่างต่อไปนี้ตารางแสดงตัวอย่างอารมณ์ของจิตมีราคะจริตสิ่งที่ชอบเด็กชายหญิงวัยรุ่นดอกไม้แรกบานสีเรียบๆ เ, เย็นตาวิวสวยๆทะเลเรียบลมพัดอ่อนๆรถเรียบๆ เสียงเพลงรักภาพยนตร์ชีวิตและอื่นๆสิ่งที่เกลียดรูปโครงกระดูกศพคนผอมโซดอกไม้รุ่งโรยสีฉูดฉาดสิ่งสลักหักพังประสาทหินคลื่นแรงน้ำเชี่ยวพายุจัดแดดร้อนเปเรี้ยวจัดเข้มจัดเพลงโศกเพลงจังหวะเร็วภาพยนตร์ดวลปืน ดวงดาบและอื่นๆคนราคะจริตไม่ได้พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังหรือแม้แต่คิดถึงสิ่งที่เป็นความสวยงามดังตัวอย่างที่ยกมานี้จิตของเขาจะวนเวียนอ้อยอิงอยู่กับอารมณ์ประเภทนี้ไม่ยอมสลัดอารมณ์ออกจากใจโดยง่ายการที่ใจท่องเที่ยววนเวียนอยู่กับสิ่งสวยๆงามๆนี่แหละเรียกว่าราคะจริต จ, จริตแปลว่าเที่ยว หรือประพฤติราคาจริตก็แปลว่าเที่ยวไปตามอำนาจความสวยงามหรือสิ่งที่น่ารักถ้าจะถามว่าคนราคาจริตจะมีความรู้สึกทางเพศในวงเล็บเซ็กแรงกว่าคนจริตทางอื่นหรือไม่ตอบว่าไม่แน่เสมอไปเพราะคำว่าราคะในที่นี้มุ่งเพียงพฤติการของใจที่ชอบอ้อยอิงกับความสวยงามเท่านั้นส่วนเรื่องเซ็ก หรือความกำหนดในการเสพเมถุนเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากทีเดียวคือขึ้นอยู่กับกำลังและความต้องการของร่างกายที่ว่าไว้นี้การความเข้าใจผิดประเดี๋ยวจะเข้าใจว่าคนราคะจริตมีความกำหนัดรุนแรงในบรรดาอจชญากรที่ทาผิดในทางกามรมรลเช่นฉุดคร่าอนาจารก็ดีข่มขืนก็ดี หรือที่ทำผิดทางประเพณีแห่งการสมรสเป็นต้นว่าลักพาทำชู้มีภรรยามากและชอบเสียดสีกินเศษกินเลยเวลาคนแน่นผลการสังเกตอย่างหยาบๆของข้าพเจ้าปรากฏว่าคนราคาจริตมีสถิติน้อยที่สุดเห็นจะเป็นว่าคนราคาจริตมีความเหนียมอายมากนั่นเองโปรดพิจารณาตามบทต่อๆไป ประมวลวินิจฉัยดูด้วย 2. โทสะจริตคนโทสะจริตความเป็นไปของจิตใจตรงกันข้ามกับราคะจริตคือเป็นคนใจร้อนเร็วมีความรีบร้อนอยู่ในใจเป็นปกติโปรดคิดถึงสภาพของใจอีกนิดหน่อยความจะได้เชื่อมกันตามธรรมดาจิตของคนเรามีหน้าที่คิดที่ว่าคิดคิดนั้น ถ้าฉีกออกดูให้ละเอียดก็คือการปล่อยอารมณ์กับการรับอารมณ์หมายความว่าปล่อยอารมณ์เก่ารับอารมณ์ใหม่คล้ายกับการหายใจนี่แหละที่ว่าหายใจนั้นถ้าแยกออกดูว่าการหายใจคือทำอะไรก็จะพบงานที่ทำในการหายใจอยู่สองอย่างคือการปล่อยลมหายใจเก่าออกกับการสูดลมหายใจใหม่เข้าปล่อยออกสูดเข้า ปล่อยออกสูรเข้าและอื่นๆทำอยู่อย่างนี้เรียกว่าหายใจความคิดของคนก็เหมือนกันถ้าฉีกออกดูที่ว่าคิดๆนั้นคือทำอะไรก็จะพบงานในความคิดอยู่สองอย่างคือการปล่อยอารมณ์เก่าและการรับอารมณ์ใหม่ปล่อยรับปล่อยรับและอื่นๆอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจนกว่าจะหลับบางท่านอาสงสัยว่า ตอนนี้เราอยู่ว่างๆไม่ได้ปล่อยหรือรับอารมณ์อะไรนั่นเพราะเราดูอาการหยาบๆหรืออาการชั้นนอกของจิตเหมือนคนคนหนึ่งเราเห็นเขาไม่ได้ออกนอกบ้านก็จะหมายอาว่าเขาไม่ได้ทำงานไม่ใช่ความจริงงานในบ้านก็มีบางทีเวียนหัวมากกว่างานนอกบ้านเสียด้วยซ้ำไปจิตใจของคนเราก็เหมือนกันจะต้องทำงานปล่อยรับตลอดเวลา ถ้าไม่ปล่อยไม่รับอารมณ์เลยก็หลับบางท่านอาจคิดว่าบางทีเราทำหน้าที่รับอย่างเดียวตั้งครึ่งชั่วโมงค่อชั่วโมงเช่นในเวลาอ่านหนังสืออยู่เดี๋ยวนี้มีแต่อ่านเอาอ่านเอ า, อ า, เอาไม่ได้ปล่อยที่เข้าใจอย่างนี้ยังคลาดเคลื่อนเหมือนกันลองอ่านข้อความนี้ดูฉันมีหนังสือดีพอเริ่มอ่านใจของท่านจะเจอตัวฉอชิง ไม้ห็นอากาศดอหนูแล้วก็คิดผสมตัวแล้วอ่านว่าฉันเสร็จแล้วจิตของท่านจะปล่อยคําว่าฉันให้ผ่านไปแล้วก็คว้าเอาตัวมอมะสระอีมาคิดอ่านว่ามีเสร็จแล้วก็ปล่อยคํามีเสียจับตัวต่อไปมาคิดแล้วก็อ่านที่เรียกว่าคิดอ่านถ้าสมมุติว่า ใจไม่ปล่อยอารมณ์เก่าเลยเจอตัวฉ้อยชิงก็อ่านชอชอชออยู่กับที่ไม่รู้จักทิ้งตัวชอสักทีอย่างนี้ท่านจะไม่รู้ข้อความในหนังสือนั้นเลยที่อธิบายตอนนี้ยากไปหน่อยอยากจะแนะให้ท่านทราบว่าการทํางานของใจซึ่งเรียกว่าคิดนั้นมีการรับและการปล่อยอารมณ์อย่างนี้ใจของคนทุกคนทุกใจก็รับอารมณ์ และปล่อยอารมณ์เหมือนกันต่างกันแต่ว่ารับหรือปล่อยช้าหรือเร็วคนราคาจริตถ้าได้อารมณ์ที่น่ารักปล่อยช้าเฉื่อยชาอ้อยอิงแต่คนโทสะจริตนี้รับอารมณ์ก็เร็วปล่อยให้ผ่านไปก็เร็วเหมือนมีความรีบร้อนอยู่ตลอดเวลาจิตที่มีความรีบร้อนเป็นพื้นเรียกว่ามีโทสะจริต ด้วยเหตุนี้คนโทสะจริตจึงทำอะไรรวดเร็วเดินเร็วพูดเร็วเขียนเร็วกินเร็วแล้วก็กลายเป็นรักเร็วหน่ายเร็วเข้าอีกด้วยตกลงว่าคนราคาจริตห่วงงานมากกว่าเร็วส่วนคนโทสะจริตนี้ห่วงเร็วมากกว่างานเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ในกรณีที่ว่านี้คนโทสะจริตเป็นอาชญากรคือทำความผิดต่างๆมาก ทั้งนี้ก็เพราะเรื่องใจเร็วนั่นเองคือมีความรีบด่วนเป็นทุนอยู่ในใจพอเกิดอะไรขึ้นก็ชิงตัดสินใจเลยผิดไม่ว่าอะไรละ่ะถ้ารีบเกินไปมักจะพลาดเดินเร็วมักจะหกล้มซื้อของเร็วเร็วรีบมักจะผิดราคารีบร้อนรักเขามากเกินไปมักจะรักคนผิดแล้วก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันที่ว่าคนโทสัจจริตชอบบู เนักต่อสู้ชอบทำงานใช้วิธีแตกหักเอาอยัางไงก็เอากันนี่ก็เพราะเรื่องรีบอีกเหมือนกันจึงชอบรวบรัดเมื่อรวบรัดทางและม่อมไม่ได้ก็ต้องใช้ความแตกหักเหมือนคนรีบร้อนจะไปไหนไหนเห็นอะไรขวางทางแทนที่จะก้มลงหยิบวางให้พ้นทางก็หยิบโยนถ้ารีบมากใช้มือหยิบไม่ทันใจก็เลยใช้มือล่างเขี่ยส่งไปเลย ทุกท่านคงเคยเห็นใจมีความรีบร้อนเป็นทุนก็เหมือนกันตัดสินใจรวดเร็วความเร็วของใจก็มีผลดีอยู่ในจังหวะที่ละทิ้งความไม่ดีต่างๆออกจากตัวเช่นเลิกยาเสพติดถ้าจะเลิกจริงก็ทำได้เร็วหรือเช่นการละกิเลสคนโทสะจริตก็ทำได้เร็วเหมือนกันหนักเข้าแม้เลิกล้างกับลูกเมียก็ทาได้ง่ายอีกด้วย สิ่งที่คนโทสะจริตชอบก็เป็นสิ่งที่สอถึงความรวดเร็วต่างๆจะเป็นของที่มีความเร็วอยู่ในตัวหรือสิ่งจูงใจให้คิดถึงความเร็วก็ตามเขาชอบในขณะเดียวกันก็เกลียดสิ่งตรงข้ามเชิญดูตัวอย่างตารางแสดงอารมณ์ของจิตมีโทสะจริตสิ่งที่ชอบรูปม้าวิ่งรูปรถแข่งสิ่งที่เกลียดรูปหมูเดินรูปรถบนถนน สิ่งที่ชอบลมกันโชคสิ่งที่เกลียดสิ่งที่ไม่ไหวติงอับลมสิ่งที่ชอบคลื่นใหญ่กระทบฝั่งสิ่งที่เกลียดสิ่งที่เติบโตช้าสิ่งที่ชอบตึกพังสิ่งที่เกลียดสิ่งที่เติบโตล่าช้าสิ่งที่ชอบผ้าฉีขาดสิ่งที่เกลียดแผ่นดินราบเรียบสิ่งที่ชอบสตราวุธสิ่งที่เกลียด สิ่งที่เป็นความอ่อนแอสิ่งที่ชอบเพลงจังหวะเร็วสิ่งที่เกลียดจังหวะช้ายืดยากสิ่งที่ชอบไฟลุกลามสิ่งที่เกลียดความเงียบเหงาสิ่งที่ชอบหนังบูโรดผลสิ่งที่เกลียดหนังเพลงและอื่นๆตามตัวอย่างนี้ท่านผู้อ่านพอจะมองเห็นแล้วว่าอารมณ์ที่คนโทสะจิตชอบต้องแฝงความรวดเร็วเข้าไว้เสมอ ถ้าท่านจะจัดห้องพักห้องรับรองคนราคาจริตการประดับห้องให้สวยงามด้วยภาพดอกไม้ภาพวิวสวยและภาพหญิงสาวแต่งตัวงา ม, งามก็เป็นการสมควรแต่ถ้าจะให้เป็นที่พอใจแก่คนโทสาจริตท่านก็จะต้องเก็บภาพพวกนั้นเสียงัดเอาพวกภาพที่แสดงถึงความแตกหักโรโป่วนรวดเร็วขึ้นมาตกแตก่งหรือแถมประดับด้วยหอกดาบ เขาสัตว์หนังเสือและอื่นๆด้วยก็ยิ่งดี 3. มโมหจริตโมหะในที่นี้หมายถึงความยืดยา้งเฉื่อยชาของจิตใจจิตที่มีโมหจริตเป็นจิตที่ขาดความคล่องแคล่วที่ว่าขาดความคล่องแคล่วนั้นไม่ได้หมายความว่าทำอะไรเร็วไม่ได้หรือวิ่งไม่เป็นไม่ใช่อย่างนั้นแต่หากหมายถึงพื้นเพแห่งจิต ที่มีความชักช้าอยู่ในตัวโปรดนึกดูสัตว์สามชนิดคือมา้าวัวควายสัตว์ทั้งสาอย่างนี้ก็วิ่งได้เดินได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าท่าแท้ในตัวของมันมีพื้นแห่งความคล่องแคล่วว่องไวไม่เท่ากันมา้าคล่องมากกว่าวัววัวคล่องมากกว่าควายเจ้าควายนั้นปกติของมันคือเดินตุวมเตียบ นานๆจึงจะดัดจริตวิ่งเหมือนม้าสักทีหนึ่งใจมีโมหจริตเป็นเจ้าเรือนก็คล้ายๆกันคือมีพื้นเพขาดความคล่องแคล่วอยู่ในตัวเหตุที่เป็นดังนี้เพราะจิตขาดแววฉลาดอยู่ข้างจะเป็นจิตสามอย่างอ่อนๆสาเหตุดั้งเดิมก็เนื่องจากขาดความสนใจในการศึกทำอะไรไม่มีความเอาจิงเอาจังและติดอยู่ข้างความมัวเมาต่างๆนานเข้า จิตก็อยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นขาดความกระปี้กระเป๋าตามธรรมดาจิตใจของคนทั่วไปมักจะแสไปหาอารมณ์เองแต่ใจของคนโมหจริตแทนที่จะแสหากลายเป็นว่าอยู่ในลักษณะหลับคอยให้อารมณ์มากระตุ้นเองจึงจะทำงานคนโมหจริตมักใจลอยและชอบนั่งหลับในเวลาฟังอบรมหรือฟังประชุม เรื่องคนนั่งหลับในขณะอบรมนั้นข้าพเจ้าเคยหลงโทษผู้อบรมมานานรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองด้วยจริงอยู่ผู้พูดที่ขาดวาทศิลป์ทําให้ผู้ฟังขาดความสนใจเมื่อใจเขาว่างอารมณ์ก็เลยนั่งหลับข้อนี้เป็นความจริงข้าพเจ้าอยอมรับแต่ความจริงอีกอย่างหนึ่งก็ยังมีคือความบกพร่องอยู่ในตัวคนฟัง ข้าพเจ้าพบความจริงอันนี้จากการอบรมทหารในหน้าที่อนุสาสนาจารย์เฉพาะหน่วยพลทหารที่เขาบรรจุจากคนที่หย่อนการศึกษาประเภทพออ่านออกเขียนได้หรือไม่รู้หนังสือเลยคนเหล่านี้หลับง่ายที่สุดให้เราสังเกตดูแล้วนักหลับจริงๆพอเข้าห้องประชุมเสร็จยังไม่ทันที่ผู้เป็นประธานจะจุดเทียนกราบพระเลย ก็ขอพับไปแล้วในระหว่างอบรมแม้ว่าเพื่อนๆ เ, เขาฟังกันอย่างสนุกบางคราวถึงกับหัวเราะหาใหญ่แต่พ่อมาหาจจเบินก็นั่งเอียงคอเอียงเหนียงคํานับผู้อบรมงึกงึกอยู่ตลอดเวลาเมื่อประจาอยู่ต่างจังหวัดข้าพเจ้ามีโอกาสคลุกคลีอยู่กับทหารมากเรียกว่าคุ้นเคยว่ากล่าวกันได้ข้าพเจ้าใช้หลักสังเกตจริต ในบงเล็บซึ่งจะกล่าวในบทต่อไปเข้าจับดูจริตพลทหารพลทหารเข้าห้องอบรมเสร็จก็เลือกดูว่าใครบ้างที่ต้องตาราสนิฐานว่าจะเป็นคนโมหจริตแต่เรียกออกมานั่งอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันโดยไม่ให้รู้ตัวแล้วเริ่มการบรรยายอบรมไม่กี่นาทีทั้งกลุ่มก็เข้าสู่พวังเรียบร้อยถวายคานับให้ดูตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะจิตที่มีโมหะจริตเป็นเจ้าเรือนขาดความไว้ต่ออารมณ์ไม่ฝ่หาอารมณ์เองแต่คอยให้อารมณ์กระตุน้นหนักเข้าก็อยู่ในลักษณะสลึมสลือครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วก็เลยหลับจริงๆสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เขาพอใจนั้นเอาแน่ไม่ได้และไม่จำเป็นต้องห่วงเพราะคนประเภทนี้ส่วนมากก็สนองสังคมด้วยกาลังกายเท่านั้น ไม่มีความคิดนึกอะไรเป็นของตัวกี่มากน้อย